เมื่อวานมิยมคนหนุ่มจากกรุงเทพอยากจะขึ้นไปชมกุฎหลวงพ่อเหมือนกันพอไปชนีมันมันหวงกุฎหลวงพ่อเด้ยบางครั้งถ้ามันอยู่แถวนั่ะคนขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่อยากจะให้ขึ้นไปเหมือนกันเถอะครั้งหนึ่งชาวจังหวัดมุกดาหารขึ้นไปกุฎีหลวงพ่อ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 ถูกจังหวัดชนีพอดีกระโดดขึ้นเกาะบันไดเด็กชนีมันกระโดดสูงไดใช่ไหมกระโดดขึ้นไปเกาะบันไดเกาะเราบันไดมากระตบหัวคนเลยว่างั้นเนี่ยคนยังคนยังไม่ได้ขึ้นมากุฏิลงพ่อเลยว่งั้นยังไม่ได้ขึ้นเลยงั้นน่ยมันอยู่เกาะอยู่เราลูกกองอะเอามือตบหัวคนเลยงั้นโอ้ยคนวิ่งออกมาวิ่งมาถึงสาราเลยเกือบจะได้เกือบจะได้เอาน้ําสาดว่างั้นแต่มันมันเหนื่อยมันจะเป็นลม พอกลับไปถึงบ้านเป็นไข้เลยว่า ง, งั้นเถอะ <c oughs> เป็นเป็นไข้บอกขวัญหนีดีฟอว่า ง, งั้นเถอะ <c oughs> ชนีตบหัวว่า ง, งั้นเถอะอ๋เนี่ยไอ้สมชายเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานี่นะหลวงพ่อเคยบอกพวกกลุ่มไหนตกลุ่มไหนมาเวลาเห็นชนีสมชายอย่าไปจะ ไ, ไปวิสาสะกับมันนะอถ้าไปวิสาสะกับมันไม่ได้เพราะว่ามัน มันเป็นสัตว์ตีระฉานมันคุ้มดีคุ้มร้ายแต่บางครั้งมันก็ดีดีเหมือนจะไม่มีอะไรเออแต่บางครั้งโอ้โหเออมันกระโดดขึ้นไปเกาะคอเลยว่งั้นอะอืมเกาะคอละตะกุยตะไกลบางทีตูกเล็บของมันอะเป็นไงลูกหลานอุดร น, นักศึกษานักเรียน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 ชีแก้วที่หลวงพ่อจะคิดจะทำคิดสร้างเกียดีให้ท่านกระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุเหมือนกับครูบาอาจารย์ให้เห็นเป็นสกีพยานเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สำเร็จมรรคผลอย่างที่องค์หลวงตาท่านรับรองว่างั้นเถอะนนี้ก็เป็นแม่ชีแต่ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ คนนั้นธรรมะของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันในเลือกชาติชั้นบรรณะถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอเป็นคุณงามความดีสำหรับคนคนนั้นร่มเย็นเป็นสุขแก่กลุ่มนั้นบุคคล น, นั้นคณะนั้นประเทศนั้นถ้าว่าไม่มีธรรมในจิตใจมีตะกิเลสโลบโกรดหลง ก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นสมัยเป็นเด็กควรทำยังไงเวลาเป็นผู้ใหญ่ทำยังไงอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านก็สอนนะแต่บางครั้งก <c oughs> กับยุคสมัยนี้รู้สึกว่าฝืนฝืนกันเหมือนกันนะในพระไตรปิฎกนะฝืนกันยังไงพระพุทธเจ้าท่านยังยกชาดกนะยกชาดกขึ้นมา แต่ยสมัยทุกวันนี้การลงไม้เลี้ยวเด็ดเนี่ยเป็นความผิดอย่างร้ายแรง เ, เป็นห น, น้าตำหนิแต่ในพระตไตรปิฎกในท่านบอกว่ า, วามันต้องดูเหตุการณ์ถ้าสมควรจะลงไม้เลี้ยก็ต้องลงไม้เลี้ยวท้องโงท้งคนที่จะสอนกระทมามราก็าสอนท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราเป็นทิศสปามกอาจารย์เป็นคณาจารย์สอนสิบอยู่เมืองตะกะศีลาสมัยนั้นเจ้าฟ้าชายในหัวเมืองต่างๆก็ไปเรียนวิชาจากทิศสปามกอาจารย์เพราะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในการสั่งสอนสิบทีนี้คน เจ้าฟ้ามหากษัตริ์หัวเมืองต่างๆก็ส่งเข้าไปศึกษากับทิศปะโมกอาจารย์ท่านนี้เพราะท่านเป็นผู้รอบคอบว่าเข้มงวดกวดขันเว้นที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแต่นี้เขาส่งเข้าไปแล้วก็เจ้าฟ้าเมืองพา ร, ราณสีในสมัยนั้นไงวะกรุงพา ร, ราณสีนี่เป็นเมืองใหญ่ในชมพูทวีปในคราวนั้นถ้าเป็น ทุกวันนี้ก็คงจะเป็นประเทศที่มหาอนานาจรางนแต่ก็สง่งลูกเข้าไปเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองตกักะศิลาเพราะเมืองตกักะศิลาเป็นเมืองวิชาหาความรู้ในยุคสมัยนั้นเพราะส่งเข้าไปเจ้าฟ้าชายนี่ก็ไปอยู่กับอาจารย์กับคณะสิทธิ์หลายหลายคนวันหนึ่งอาจารย์ก็พาไปอาบน้ำเดินไปท่าน้ำลูกศิษย์ตามหลังไป ก็เป็นเกคนสิบคนเน่เดินละเดินตามหลังไปแต่ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าฟ้าชายกรุงพระนริศรีเนี่ยไปเห็นยายแก่ตากถั่วคงจะเป็นถั่วที่สงในมั่งจุ่ข้างทางเดินเจ้าฟ้าชายนี่ก็ไปหยิบเอาหน่อยหนึ่งอาจารย์ก็มองยายแกน่ก็มอง ก็เห็นว่าเด็กหนุ่มเขาคงหิวมากก็เดินผ่านไปแต่อาจารย์ในตำหนิแล้วบอกว่าก่อนที่จะหยิบอะไรไปมันต้องขอเจ้าของเขาก่อนเพราะเจ้าของเขาก็นั่งอยู่และอีกอย่างหนึ่งของเขาก็เอามาตากแดดเอาไว้เราจะไปหยิบเอาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวมันไม่ถูกอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพอเป็นเด็กหนุ่มก็เดินผ่านไปพอตัวมาอีกหลายหลายวันเดินผ่านอีก เจ้า้าชายเนี่ยก็ไปกำเอาใหญ่พอสมควรเามือนนั่นี่ยอาจารย์ก็เหลือไปเห็นยายแกนก็มองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เดินผ่านไปฟ้าชายก็กิ <c oughs> กดกินในถั่วลิสงไปเรื่อยเหมือนนั่นะพอต่อมาอีกคราวนี้เอาใหญ่เลยเหมือนน่กำออกเต็มกำเลยเดินผ่านไป ยายแกนั่นกัดอดไม่ไหวว่างั้นเถอะเป็นครั้งที่สามบอกว่าอาจารย์ทําไมลูกศิษย์ของอาจารย์ไม่มีนิสัยดีเสลยก่อนที่จะเอาของในฉันก่อน่าจะบอกซะก่อนฉันอนุญาตซะก่อนจึงจะเอาอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่สมแล้วฉันอดทนไม่ไหวลว้ถ้าอาจารย์ยังเลี้ยงศิษย์อย่างนี้ไว้อยู่ดิฉันว่าไม่ไม่ดีนะเน่ย อ, อาจารย์ทําอย่างนี้ทําไมศิษย์ของอาจารย์ทําไมไม่สอน ลูกศิษย์ของอาจารย์บ้างยายแก่เขาตะโกนอาจารย์ก็เห็นเลยบ่าเนี่ยผมดูสองสามครั้งแล้วมันน่าจะซุบซรู้ได้ทำไมจึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องผิดผู้เข้ามาศึกษาเนี่ยต้องเชื่อฟังต้องสังเกตทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงก็พออาจารย์เอ้าจับ พวกลูกน้องที่ไปด้วยกับอาจารย์สั่งก็จับจับแขนมาก็อาจารย์ก็ใช้ชี้ไม้ไผ่หดก้นเลยว่างั้น <c oughs> หถอะหดกลนฟ้าชายว่างั้นเถอะใส่เพีย้ยเพีย้ยเพี้ยเสร็จแล้วไปเดินไม่พูดไม่อะไรเลยท่านเองอย่งฟ้าชายก็ไม่พูดเลยอาจารย์ก็ไม่พูดผลที่สุดความเจ็บใจอยู่ในใจของฟ้าชายเน่ย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 สังเงียมเจียมตัวว่างั้นเถอะเพราะโดนอาจารย์ไม่ไวหน้าเลยดนะถ้าขืนทาผิดอาจารย์ก็ต้องซัดอีกว่างั้นเถอะอ่าทนี้ก็พอจบแล้วก็เลยกลับไปอาจารย์ก็ให้โอววาดการไปปกครองประเทศชาติบ้านเมืองต้องมีคุณภาพต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤตินาไปแนะนาสั่งสอน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 คำนี่มันอยู่ในใจของของพระเจ้าเป็นดินหนุ่มเหมือนกันเถอะถือยังไงก็ลาค่าต้องแก้แค้นให้ได้ต้องตัดหัวให้ได้ตัดหัวอาจารย์ให้ได้เหมือนกันเถะผลในี่สุดก็ส่งสารไปบอกว่าอาจารย์ผมได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะถ้าขอเชิญอาจารย์มาเยี่ยมผมด้วยผมได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทางอาจารย์ก็ได้รับจดหมายจาก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 ถึงจะใครจะผูกอาคาดอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์ทำดีที่สุดแล้วในฐานะของอาจารย์ทีนี้ถ้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมฟ้าชายใช่ไหมไปเยี่ยมพระเจ้าแผ่นดินพอไปถึงพระเจ้าแผ่นดินอาจารย์ก็เข้าไปในในในวังพระเจ้าแผ่นดินก็นั่งอยู่ในบันลัง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 ถ้าหากว่าเราไม่สอนท่านในวันนั้นท่านอาจพระราชาจะมีวันนี้ไหมมีวันนั้นจึงมีวันนี้เพราะนั้นท่านต้งจำไว้อันนี้คือเราในฐานะอาจารย์เราไม่กลัวตายในทรหน้าที่ของอาจารย์ผิดก็ต้องบอกว่าผิดถูกก็ต้องบอกว่าถูกสิ่งไหนไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่งามไม่เหมาะสมข้าพเจ้าจะสอนสั่งอย่างนั้น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 อาจารย์เป็นอาจารย์ขึ้นมาแล้วกันนยนะขยักวิชาต้องเองไหมมันจะสอนให้เต็มที่ก็ไม่สอนถ้าว่าไปสอนพิเศษนะจึงให้วิชาเขาเต็มที่แต่สอนอยู่ในโรงเรียนะขยักเอาไว้อันนี้แปลว่าไม่ใช่อาจารย์ที่แท้จริงอาจารย์ที่แท้จริงเนะี่ยแนะนำแนะนดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพาง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 ใครข้าวัดแสดงความเคารพในอาจารย์เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพนะอันนี้คือหน้าที่ของสิทธิ์นะพวกผู้ได้เจ้าท่านสอนไม่หมดศิทธิ์กับอาจารย์ทำหน้าที่ยังไงต่อกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้หลวงพ่อได้พูดฐานะสิทธิ์กับอาจารย์ให้พวกนักศึกษาพระทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนี่แหละ ครูบาอาจารย์เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่เป็นบุพาาจารย์เป็นอาจารย์คนคนแรกของบุตธทิดาเราเกิดมาเรามาเกิดมายังไงพ่อเกิดมาแล้วพ่อแม่เป็นคนสอนป้อนข้าวป้อนน้าอาบน้าอาบถาให้หลับให้นอนดูหมดทุกอย่างสอนหมดทุกอย่างคือการทำให้นะคือการสอนลูก่ะ ต่อมาก็ลูกก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นลุกเด็กสองสามขวบพ่อแม่ก็เอาส่งเข้าโรงร่าโรงเรียนเสียเงินคําทรับสมบัติเท่าไหร่ไม่ว่าอย่างทุกวั น, นี้โรงเรีย น, นดีๆเสียไปตังหลายแสนกว่าจะได้ลูกเข้าไปเรียนหนังสือจากนั้นก็ลูกก็ได้เรียนหนังสือส่งเสียจนลูกได้รับปริญญาตรีโทเอกแต่บางคนลูกคูกลูกบางคน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 พอทําการทํางานขึ้นมาหาว่าพ่อแม่ไม่รักตนเองบ้างหาว่าพ่อแม่ไม่ส่งเสริมตนเองบ้างโกรธโมโหโทรส่งให้พ่อให้แม่ผลที่สุดบางคนมากกว่านั้นหาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักตนรักคนอื่นผลที่สุดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ล้างหนี้ไมางั้นเพราะตัวเองเป็นเป็นหนี้พ่อแม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อล้างหนี้ไม่งั้น อันนี้แปลว่าลูกอากตันยูถูกลูกทารพีสังหารพ่อแม่เพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนเป็นชาวพุทธนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแต่เบื้องต้นครูบาอาจารย์พ่อแม่เหมือนกันเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราควรจะเทิดทูนควรจะคิดให้ดีในจิตในใจกว่อน จ, จะตาหนิพ่อกวรจะตาหนิแม่กวรจะตาหนิ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 ทำไว้บุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกรตันยูกระตะเวทีเมื่อท่านทบเมื่อท่านทําบุญคุณแก่เราแล้วเราควรจะทบทดแทนบุญคุณของท่านก็คือบิดามารดา น, นี่แหละคือพ่อแม่นี่แหละที่ท่านผู้มีอุปการะคุณนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานฟังเสียยืด้าวตอนนี้ไปรับพร น, นะทีนะอนุโมทนาให้พรสัปปารโอ